พระธรรมเทศนาแผ่นที่75ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14กรกฎาคม2558มีชื่อเรื่องว่ามองดูตัวเอง ศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนรคงอยากจะทราบว่าเอ๊ะหลวงตาหลวงพ่อเราเนี่ยพูดอะไรนะ้อกับโยมหลวงพ่อถามข่าวขาวหลวงปู่นาคูนของพวกเราเพราะหลวงพ่อในใส่ใจสนใจเพราะหลวงปู่นาคูนถือว่าเป็นพี่ชายใหญ่ของหลวงพอ่อมีอะไรเกิดขึ้นพวกน้องๆ อ, อย่างหลวงพ่อเนี่ยควรจะรับรู้รับทราบ แล้วจะมีอะไรหนักหนาไม้มีปัญหาไหมฮะหลวงพ่อก็ฟังฟังได้หลายด้านลหลายมุมลหลายคนเนี่เป็นสิทธญานุสิ์แล้วก็ได้จะได้ประมวลประเมินเข้ามาแล้วก็จะทำยังไงจะเข้าไปช่วยพี่พี่พี่ชายของเราอย่างไงหรือว่าตามอัธยาศัยของท่าน สิ่งเหล่านี้เมื่อเราฟังแล้วเราก็จะได้คิดวิเคราะห์ได้เพราะนั้นต้องหลวงพ่อจึงฟังศึกษาหลายๆอย่างแต่ถึงอย่างไงครูบาอาจารย์ระดับหลวงปู่ขยับขยื่นออกจากที่เนี่ยไม่ใช่ของเล็กน้อยมันเป็นเรื่องใหญ่อ่ามันเป็นเรื่องสะเทือนกระเทือนสะเทือนสําหรับศิทธิอนุสิตที่รักเคารพในองค์หลวงปู่เพราะ องหลวงปูนะ่เป็นที่รักเคารพของคนทั่วประเทศใครๆมาก็เจตนามาหาหลวงปู่ถามาบ้านผือแล้วก็ต้องหลวงปู่เป็นอันดับหนึ่ง เ, เขามากราบมาคารวะท่านแต่เมื่อลวงปู่ไม่อยู่ยพวกคณะจดธายาิโยมที่อยู่ใกล้ก็รู้สึกเสียความรู้สึกแล้วก็ เงาเสียความรู้สึกล้วจะทำยังไงมันเป็นจุดประสงค์ของหลวงปู่เราจะขอร้องหลวงปูไ่ได้ไหมแต่ตามไม่จริงในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระแล้วว่าเป็นน้องของหลวงปู่ก็ไม่อยากจะให้หลวงปู่ขยับขยืขย่นไปที่อื่น่ะเพราะอายุมากขนาดนี้แล้วตาที่จะไปอยู่ที่อื่น่ะเพราะเคยชินต่อกุติเรื่องวัธิพักพาอาศัย คนจะอยู่ถ้าเป็นไปได้ขอาการาบราตนานิมนต์ท่านอยู่เพราะว่าผู้สูงอายุจะขยับเขยื้อนไปที่ไหนก่จะปรับตัวได้ไปอยู่ที่อื่นมันใช้เวลานานนะบางทีไปอยู่ที่นู่นหลงทิศหลงทางนานพรสมควรกว่าจะปรับทิศ ท, ทางได้มันไม่เหมือนคนหนุม น, นะจะเดินไปจะเดินไปที่ไหนจะลุกไปที่ไหน จะทำอะไรจะเรียกใครถ้าอยู่ที่เก่านานๆก็มีวิธีการวิธีกรรมที่เคยชินต่อสถานที่ถ้าไปอยู่ที่ใหม่หลวงพ่อว่ากว่าจะปรับเข้ากับสถานที่กว่าจะปรับเข้ากับศรัทธาญาติโยมลูกหลานกว่าจะเข้ากันได้เผอเอาจะเข้าใจผิดกันอีกต่างหากในบรรดาศิษย์ กับคณะศัทธาญาติโยมใหม่สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นที่ส ป, ปายะของหลวงปูไ่ไหมถ้าเป็นไปได้ตรงพ่อว่าในพรรษานะอยู่ที่นี่จ้ะถ้าออกพรรษาแล้วไปพักช่วครั้งช่วคราวเพื่อโปรดสัทธาญาติโยมทางนู้นก็จะได้ถ้าว่าไปในพนะรรษาเนี่ยคล้ายๆกบว่ า, วามันกําจัดสิทธ เกินไปต้องอยู่สามเดือนแต่ทางไ่ออกพรรษาแล้วนะ่เรา <c oughs> ท่านจะไปเวลาไหนก็ได้กลับมาเวลาไหนก็ได้แต่ไปอยู่สามเดือนหลวงพ่อว่าจะสับไปยะสำหรับท่านไหมสำหรับหลวงปู่ไหมคือบางเสียงบางอยา่างหลวงปู่ท่านอยากจะไปตามไม่เจียงผู้ เลี่ยวล้อลดลูกศิษย์ลูกหาเอ่อจนทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายครวาญนาไปชุมหาเรือกันเป็นการภายในเอเราควรจะห้ามทัดทัดทานหลวงปู่ไว้ก็ดีมากถ้าหากว่าไปอย่างนั้นไปตามอัตยาใส่หรือไปตามความคิดของหลวงปู่ใจ่หลวงปู่อยากจะไปก็ให้ท่านไปแต่พวกเราคิดดูแล้วมันไม่สะดวกนะจะมีเป็นเป็นพิษเป็นภัยนะ อ, อพวกเราเราเนี่ยเออไม่ใช่ว่าหลวงปู่คิดอะไรก็ให้ทําอย่างอย่างที่หลวงปู่คิดก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะเพราะหลวงปู่อายุมากถึงขนาดนั้นแล้วเ อ, อพอหลวงปู่พูดอะไรก็ทําตาม ท, ทุกอย่างเพอรเพอบางทีครูบายอาจารย์เ อ, อ้ข้าเดชฉันข้าวได้ยังเนีไยฮะพึ่งฉันไปมัดหมัใหม่ๆเพราะความลืมหลงอ่ะเอง เราก็ปฏิบัติตามอีกมันก็ไม่ได้เพร่ออะไรเพราะ เ, เราทุกผู้เป็นริวร้อเนี่ยต้องคิดอ อ, อย่างองค์หลวงตาก็เหมือนกันไปที่สิริราชท่านวัดไปไปไปไปไปไปไปพวกลูกศิษย์ลูกหากระทำไม่จริงก็ไม่น่าจะว่าท่านลงกลางกลางคืนนะอยู่ที่สิริราชเอาท่านลงมาเถอะเอาลงมาพยาบาลวิ่งกลูปิดถนน อ, อ ทั้งที่จะออกมาจากนั้นหลงตาอาการขนาดนั้นก็น่าจะมีออกซิเจนอะไรอยู่ในรถพยาบาลอย่างใกล้ชิดนะอันนี้ออกมาอย่างไงเพราะหลงตายจะออกมาลูกศิษย์ก็ให้ออกมารวมกันเอาออกมาตามที่หลงตายให้จะให้ออกมาดูดูแล้วเนี่ยแหละความคิดในจุดนั้นโอ้ขอโอกาสพระแม่กุญจานทร์ ถึงยังไงออกไม่ได้ในช่วงนี้เพราะว่าหมอเขายัางไม่พร้อมอะไรหลักอาบกาบละถนาท่านถึงยังไงยังไงเราก็ต้องยกมือไหว้ยอมยอมท่านไม่ใช่จะตามใจท่านเพราะออกมาอันตรายผลในสุดพยาบาลเขาเห็นโอ้โหออกจากศิริราชกลางคืนพยาบาลก็วิ่งกรูเข้ามาปิดถนนอ <c oughs> จากนั้นได้ทูลเชิญฟ้าหญิง อยู่ในนั้นหลวงมาการาตรานาหลวงตาแต่หลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรอกแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์มันเล่าลองให้ฟังหลวงตาเนี่ยอยู่ในนั้นไม่มีออกซิเจนอยู่ในรถร้อนร้อนอีกต่างหากะดูดูท่านนั่งจะู่ในรถคอครับ <c oughs> <c oughs> เขาหวานนะเห็นแล้วพอในสุดทุนก็หม่อมมาการาตรนาท่านก็อือและเอากลาบับเอ า, า, เอาขึ้นไป เอาไปห้องท่านอย่างเก่าจากนั้นก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ผู้พิที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดก็ให้ออกไปให้แต่พยาบาลกับหมอกับหลวงพ่อสุดใจพระองค์สององค์เฝ้าอยู่ในคืนนั้นในสิ่งเหล่านี้น่ยเราใจจะไปตามใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกอย่างไม่ได้พวกเราในฐานะศิษยานุศิษย์ต้องมองให้รอบด้านมองให้รอบ รอบพอเรารักษาท่านเราไม่ใช่ว่าดันทุลังไม่ยอมฟังใครไม่ยอมฟังท่านไม่ใช่แต่เรามองหรืออันตรายสิ่งที่อันตรายลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องช่วยกันคิดเพื่อรักษาครูบาอาจารย์แต่ท่านอยากจะไปก็ไม่ว่าไปก็ไปได้พาไปไปพักทัหกเจวันแล้วก็กลับมา กลับมาแล้วเอาไปพักอันนี้ก็คือหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อเพียงแต่ว่าอยู่เป็นน้องๆโลกของท่านสำคัญในความเห็นของน้องๆแต่ความเห็นของลูกศิษย์ญาติลกศิษย์ของหลวงปูนะ่เป็นอะไรมีอะไรหลวงปู่ไม่สปายะเรื่องอะไรก็ช่วยๆกันคิดอีกจุดนั้นอีกไม่จับไปยะเรื่องอะไร พวัดป่านาคูนเป็นวัดของหลวงปู่อย่างหลวงพ่อเคยพูดหลวงตามหาบัวเราหลวงพ่ออยู่ที่นั่นเป็นเวลา14ปีหลวงตามหาบัวไม่เคยพูดแม้แต่คําเดียวครั้งเดียวว่าสูเจ้าไม่อยู่ชูเจ้าไม่เชื่อฟังข้าข่าจะหนีอันนี้เป็นหลวงพ่อไม่เคยได้ยิน มีแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายเขามาศึกษากับเราเขามาศึกษาถ้าไม่ใส่ใจถ้าไม่สนใจถ้าไม่ปฏิบัติตามที่เราแนะนําสั่งสอนอยู่ทำไมจะเป็นมงคลอะไรมันหามงคลอะไรในเมื่อเราเข้ามาแล้วไม่อยู่ในโอวาทไม่อยู่ในคําแนะนําสั่งสอนของเราหนีนะอย่าอยู่นะหนักวัดเข้าใจไหม หลวงตาโดยมากอย่าพูดอย่างนั้นตลอดเลยอันนี้คือคำพูดหลวงตาถ้าเข้าเข้าไปนั่นน่าจะได้ยินแหละคำนี่แหลหลวงตาจะไล่หนีเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกไหมถ้าพวกเราใช้สติใช้ปัญญาในแนวความคิดแล้วหลวงพ่อว่านะหลวงตาเียหลวงพ่อยอมรับยอมรับของหลวงตานะไม่ยอมรับที่ว่า ชูเจ้าไม่ฟังคําค่าค่านีเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าไม่รู้จะหนีไปที่ไหนอีกเพราะคนมีกิเลสไม่รู้เขาจะฟังคําของเราตลอดไปได้หรือไม่อ๋ออาจจะไม่ได้ออาจจะแข็งข้อขึ้นมาแล้วกันนี้อีกแข็งข้อขึ้นมากันนี้อีกไม่รู้จะหนีไปที่ไหนออย่างหลวงตาเนี่ยก็เราก็รู้แล้วทุกคนเข้ามาเพื่อการศึกษาเข้ามาแล้วมาแสวงหาเรื่องราบเรื่องยศอย่างนั้นเหรอเราไม่ได้ สอนลูกศิษย์ไปในทางลาบเลื่องราบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องเยินยอให้คนนับถาถือตาอให้มีกิเลสโลภโกรธหลงในการเป็นพระพระสันโดษมักน้อยสันโดษอยู่บแบบสันตุถีประมังทะนังครูบาอาจารย์ได้มากได้มาเพื่อใครก็ให้เพื่อลูกน้องทั้งหมดบริวารทั้งหมด แล้วครูบาอาจารย์ที่ใช่ปไหนใช้อันไหนที่มันออกนอกลู่นอกทางพวกท่านทนายกันรวมกันที่บอกขโกราบครูบาอาจารย์ปัจจัยตรงนั้นใช้ไปอย่างงู้นง้นไม่น่าจะถูกครับผมกระบอกมาสิแต่ท่านบอกท่านใช้ใจ่ายอะไรทุกครั้งท่านก็บอกประกาศให้ลูกน้องทราบอยู่แล้วเป็นปัจจัยของท่านมันไม่ไปใจไม่ใช่ปัจจัยของอพวกท่านปัจจัยของท่านเอง ใจของหลวงปู่เองท่านจะใช้ยังไงแต่ที่ยังไงเราในฐานะลูกเราก็ต้องประคับประคองต้องดูเหมือนกันนะการใช้จ่ายพอเราเป็นลูกผิดหรือถูกถูกต้องเป็นธรรมยังไงแต่องค์ไหนก็ตามถ้าอยู่ในโลกโหโมกณนะเขาจะเข้ามาเป็นใหญ่ ก็เป็นเจ้ากี้เจ้าการในเรื่องนั้นไม่ไม่ถูกมันเป็นเรื่องของท่านะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงลูกสิทธิ์เออเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นเป็นร้อยสองร้อยคนทั้งสัตวทั้งโดมเป็นร้อยเป็นพันออจะไม่มีใครดูเหรอผิดถูกไม่รู้เหรือควรไม่ควรไม่รู้เหรือหลวงพ่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ก็วันนี้เป็นวันที่สิบสี่เดือนกรกฎาคมพศพศพุทธศักราช25้าอห้าสิบแปดวันนี้พวกนาคของเราก็เข้ามาขอให้คูบาใหม่คู่บาทั้งหลายคูบาเก่าทั้งหลายช่วยๆกันดูนะเรื่องอัฏฐ บ, บริคารเดี๋ยวนี้พระในวัดของเราก็ดสามสิบสี่รูปนาค ก, ก็เนี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น คงจะบวชวันที่สิบเก้าเนี่ยงวดหนึ่งรดหนึ่งและก็วันที่ยี่สิบห้าอีกรถที่สองอันนี้ก็คือลูกหลานที่จะเข้ามาบวชศึกษาที่เข้ามาเนี่ยเพื่อการศึกษาทั้งหมดนะไม่มีนาคนไหนหรอกใครองค์ไหนหรอกพระอเนนองไหนหรอกผมจะมาเป็นอาจารย์หลวงพ่อเนะี่ยมีไหม มีแต่เข้ามาเพื่อขอนิสัยเพื่อเป็นลูกศิษย์เพื่อการศึกษาต่อไปภายภาคหน้าอือเอาแยกย้ายกันไปเมื่อมีอายุพรรษาพอสมควรแล้วเพราะว่าในพื้นแผ่นดินประเทศไทยของเราเนี่ยมีต่างเยอะแยะอยู่ที่ไหนไหนก็ได้ข้อมสำคัญให้ตนเองเป็นพระที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบอยู่ในศีลในธรรม อย่าไปกลัวอด อ, อ, อย่าไปกลอดกลัวอยากพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นเจ๋งถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมนุษย์ไม่เห็นเทวดาเห็นเทวดาไม่เห็นมนุษย์เห็นแต่ถ้าว่าตัวเองทําชั่วจะอย่างเดียวท่านะั้น ใครๆเห็นก็นี่ยออกนอกลู่นอกทางโลภโหโมกนาไม่สํารวมในศีนลวินัยไม่มีศีลเทวดาเห็นก็รังเกียจมนุษย์เห็นก็หน้าขยะกขยงเพราะเหตุไรเพราะตัวเองไม่อยู่ในกรอบของธรรมวินัยไม่ไม่ใช่สากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงถ้าเราอยู่ในกรอบหลักธรรมวินัยเป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอยู่ในหลักพระธรรมวินัย เป็นผู้มีฮิลิโอตตาปะเป็นพระอยู่ในสินในธรรมไม่ใช่ไม่เป็นพระอารัจชีอารัจ c h แปลว่าเป็นผู้ไม่มียางอายไม่มีฮิลิโอตตาปะต่อหลักพระธรรมวินัยอันนั้นแปลว่าเป็นผู้พระไม่มีฮิลิโอตตาปะไม่มีความละอายต่อบาปอยู่นากสถานที่ใดไม่ดีทั้งนั้นแหละอยู่ใกล้ใครเขาไม่ดี แล้วอยู่คนเดียวจะทำยังไงคนเดียวก็ไม่ดีถึงจะอยู่น้อยอยู่มากก็ให้ปฏิบัติดีอย่างที่พระพุทธเจา้าท่านตรัสเอาไว้ถึงจะอยู่คนเดียวก็อย่าทำความชั่วนะไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครเห็นแล้วก็ทำความชั่วอันนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกถึงจะอยู่กับบุงกับเพื่อนก็อยู่ในหลักพระธมินยัยอยู่ในกราะ ของหลักพระธรรมวินัยถ้าอยู่คนเดียวก็อยู่ในโลกหลักพระธรรมวินัยอให้ถือเสมือนว่าถ้าเราอยู่หลายองค์จับไฟร้อนไหมถ้าอยู่คนเดียวเลยจับไฟร้อนไหมมันร้อนในทั้งสองอย่างเพราะอะไรเพราะมันเป็นไฟนี้ก็เหมือนกันบาปอากุศโก็เหมือนกันถ้าเราทําหลายๆคนมาชั่วมันก็ชั่วเหมือนกับจับไฟหลายคนจับไฟก็ร้ายร้อนมันก็ร้อนอ่อ จับคุณเดือดร้อนไหมร้อนเพราะอะไรเพราะมันเป็นไฟนี้ก็เหมือนกันความชั่วเหมือนกับไฟความดีทั้งหลายเหมือนกับ น, น้ําแข็งอ่อยู่ในความร่มเย็นผาสุขถ้าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นให้พวกเราเชื่อในกรรมกรรมคือการกระทําทํากรรมดีแล้วจะชั่วได้ยังไงจะเดือดร้อนได้ยังไงถ้าทําความชั่วแล้วจะดีได้ยังไงจะเป็นสุขได้อย่างไร เพราะว่าความชั่วผลมันออกมาก็คือความทุกข์ความดีหลักเหตุผลไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมเมื่อปฏิบัติไปแล้วเกิดความสุขสุขกายและสุขใจด้วยไม่ใช่สุขกายธรรมดาได้สุขใจด้วยแต่บางเสียงบางอย่างถ้าเราทำไม่ดีใช่บางทีนั้นก็สุขกายไปคดไปโกงเข้ามาแต่ทุกข์ใจนะ นี่แหละถ้าว่าเราทำถูกแล้วทั้งสุกกายทั้งสุขใจด้วยนะเราจะเอาทั้งอะไรเราน่าจะเอาทั้งสองอย่างคือสุกกายและสุขใจเนพะระนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทุกหลานทุกองคพระเนร์ชัฏาญาดโยมทุกโมเหล่าให้ประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าคนเราเนะี่ยถ้าคิดถึงความตายไว้อยู่เสมอนะมันเรื่องมันไม่มากนะแต่คิดว่าตัวเองจะไม่ตายนะเรื่องมันจุงเยิงวุ่นวายไปหมด จะคิดว่าตัวเองจะตายนะั้นมันเรื่องมันไม่มากหรือข้าจะอยู่ไปไม่กี่ปีกี่เดือนนี่วะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ข้าไปเจ้าจะประกอบแต่คุณงามความดีเท่านั้นสิ่งที่มันไม่ดีเราจะไปเอาทำไมถึงจะได้มากลรวจะเอาไปทำไม่ เ, าเราจะไม่ทิ้งหรอกขณะร่างกายของเรายัางทิ้ง เ, เราจะไปโลโหมโมกณนะอะไรเน่นะถ้าระลึกถึงความตายไปอยู่เสมอมันรู้จักประมาณตนนะ รู้จักประมาณตนรู้จักความเป็นอยู่ของตนรู้จักเรื่องของตนเพราะไม่ลืมตัวมองตัวเองอยู่เสมอชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรเราได้มาอย่างไรเราดาเนินมาอย่างไรจุดจบของชีวิตของเราคืออะไรเราพิจนารณาดูตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็ดาเนินชีวิตมาแล้วก็คิดไปคิดไปถึงข้าวหน้าด้วยเออมันจะจุดจบเหมัน มันจะถึงจุดจบอย่างไรถึงเราจะไม่เห็นข่าวหน้าก็เถอะเราก็เห็นตัวอย่างต่างเยอะแยะไปมาติกาเขาตายแล้วเป็นยังไงได้ยินข่าวไม่รู้ว่ากี่คนแต่กี่คนแต่ละวันเนี่แหละเราจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอถ้าเราคิดได้อย่างนั้นไว้ในใจอยู่เสมอเรื่องทั้งเรื่องไม่มากนะเรื่องทั้งหลายไม่มากเพราะเราคิดไว้ในใจแต่ พร้อมกันเราก็ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทอีกต่างหาเพราะชีวิตมันมันไม่แน่นอนอยู่แล้วเราจะไปอยู่ด้วยความประมาทได้อย่างไรเราต้องประกอบคุณงามความดีอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นกุศลอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรมอันไหนอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมพินัยอันไหนไม่กระเทือนอยู่เราถัดอยู่ในสถานะไหนในฐานะอาจารย์เราก็ต้องวางตัวแบบอาจารย์เราจะไปวางเป็นวางตัวแบบศิษย์ได้ยังไงเมื่อเป็นอาจารย์ ก็ต้องวางตัวแบบอาจารย์ในเมื่อเราเป็นสิทธิ์แล้วจะตัง ว, วางตัวเป็นอาจารย์ได้ยังไงเมื่อเราเป็นสิทธ์แล้วก็ต้องวางตัวแบบสิทธิ์เมื่อเราเป็นพ่อเราก็วางตัวเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเราเป็นลูกเราก็ต้องวางตัวเป็นลูกเป็นหลานถ้าเรารู้จักสถานะของตนเองทุกคนอยู่ในดูเราอยู่ในสถานะไหนถ้ารู้จักตัวเองมองตัวเองว่าอยู่เสมอนะอยู่ที่ไหน ไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีเรื่องราวรู้จักกาลเทศะการสถานที่บุคคลนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้นะ่ะฟังเพื่อการศึกษาฟังเพื่อการเรียนรู้อันนี้เลยคือหลักธรรมหลักธรรมวามสอนของพระพุทธศาสนาให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควรให้รู้จักกาลเทศะการสถานที่บุคคล ต่อเนี่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตินี้นะ